วระวจีก็ต้องปฏิเสธว่าไม่ค่อันนี้เราก็เห็นชัดเลยว่าท่านผู้แต่งคาถาวัตถุนั้นได้ไปนําเอาคําพูดที่การโกงของฝ่ายชาวพุทธต่างนิกายที่พูดอย่างนี้เอามาอธิบายแยกสิแยกสู่ให้เราฟังว่าคําพูดว่าสมมุติยามมีสัจจะเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีดำหรือเป็นอารมณ์เนี่ คำว่าตัจากที่พูดตรงนี้กรำโกงเกินไปต้องแยกให้ดีคนเข้าใจคนฟังคําพูดนี้ก็ต้องตั้งหลักต้องเข้าใจให้ดีและคนจะอธิบายก็ต้องอธิบายให้ดีครัว่าคําพูดคำนี้ตีความอย่างหนึ่งตี่วามอย่างหนึ่งอยู่แต่ถ้าแยกแล้วก็จะ ท, ที่สิดที่ถูกได้ชัดเจนเต็ที่ว่าสัจจะมีสองหน้า มีสองกรณีกรณีหนึ่งคือตัดจักสองอย่างสมุติสัจจะธรรมะสัจจะถ้าอย่างนี้แยกอย่างนี้แล้วก็ยังต้องรอหมู่ไหว้จ้าว่มีสัดจักเป็นอารมณ์หรือมีสมุติสัจจะเป็นอารมณ์ อ, อย่างนี้ถูกไหมก็เป็นการจบแค่นี้คไปแต่พูดได้ชัดๆก็เป็นคำว่าไม่ต้องมางพูดอะไรกันี้แต่ที่เป็นอันตรายมากก็คือว่าถ้าใครไปเข้าใจหรือไปพูดให้ความเป็นว่า สมมติยานเนี่ยมีสัจาะเป็นอารมณ์เท่านั้นคือมีอาิัยสัจสีเป็นอารมณ์เท่านั้นแล้วับอันนี้ติดแน่นอนติดอย่างไรแรงเลยเดียวก็วเหตุว่าอาิัยสัจสีเป็นอารมณ์ของมรรคของผลเท่านั้นไม่เป็นอารมณ์ของอย่างอื่นถ้าคําว่า อ, อาลัยสัจสีที่เป็นอารมณของมรรคของผลเท่านั้นห ม, มนายก็ว่า กำหนดรู้กระทำผิดแบบที่เราเรียกว่าปาริวัศสามาการที่สองในอริยสัจสีเกิดขึ้นกับมัคคิบริสีเท่านั้นครบทั้งสี่ครบทั้งกระบวนการแบบต่าัๆต้องในโลกุตตรญาณเท่านั้นบางท่านถึงเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าสัจจญาณนสัจจญาณหมายถึงอริยสัจสีสัจาะไม่ได้หมายถึงสัจาะกาิจญาณกาัตญาณ แต่เ ค, เครียดเฉยๆตรงนี้หมายถึงอัุจิยา น, นอะไรเสยอารียนันติหรือวางทีก็แยกซอไปว่าสัจญานเจออะไรทุกขยานสมุตติญาณ น, นิโรธาญาแล้วก็นิโรธคามีปฏิปทาญาแบ่งส่วนออกไปเป็นอย่างนี้ก็จที่ข้าถามว่าพุกสมุทัยนิโรธนั้ไม่เป็นอารมณ์ของยานอื่นได้เลยจรง ก็ตอบว่าได้แต่ว่ามันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างครบกระบวนการเหมือนอย่างในนักขยานวิทยาแต่คืออย่างไรอย่างเช่นในปัจเจเวขณะยาในนิพพานเป็นอารมณ์ได้แต่ไม่ครบกระบวนการนะไม่มีการกําหนดรูทุกลาสมุตายอะไรต่างๆมันไม่เป็นกระบวนการนีะและแล้วก็เวลาละโลกนิพพานแล้วก็ละโลกนิพพานเป็นอารมณ์เวลาละโลกทุก็ละรลบทุกเป็นอารมณ์ เปลีนหน้าเ ป, ป็นจริยาณจริยญาในในวิปัสสนาญาณอันี้ถ้ามองก่อนหน้ามักเกิดวิปัสสนาญาณก็กําหนดรู้ทุกมาอย่างไม่แจ่มแจ้งถึงที่จึงไม่ก่อให้เกิดการละสมุทัยอย่างเต็มบริบูรณ์และเพราะเหตุที่ไม่รู้ทุกอย่างเต็มที่แล้วก็ลาสมุทัยอย่งไม่เต็นบริบูรณ์นั่นแหละมันหมายความว่ามักนั้นคือวิปัสนาเนี่ยยังไม่ไดก้กอ่อขยานแต่ให้โดยสภาวะธรรมมันก็คือมัก ที่ยังไม่เต็มบริบูรณ์นั่นเองแต่เมื่อวิพัฒนายานเดินไปถึงมัคคยาเนี่ยมักเต็มบริบูรณ์รู้ทุกข์ก็เต็มบริบูรณ์รักสมุทัยก็เต็มบริบูรณ์ที่แล้วก็หนอันิี้ผ่านมาเป็นอารมณ์ได้อย่างแงท้จริงๆจึงได้คือว่ากําหนดรู้ทุกข์รักสมุทัยแฉลี่โลดแล้วก็มัคจะเสกิดหให้เต็มบริบูรณ์นั้นทั้งหมดเหล่าเนี่ยมัค หรือว่าเป็นตัวประธานเป็นตัวหลักที่มีผลไปถึงอย่างอื่นอย่างอื่นหมายถึงอตยิตฐามอย่างอื่นที่เหลือ น, นอกนะัแล้วก็ถือว่ามัตคืออย่างมามัคยายในกับตัวเองก็เป็นความรู้คือรู้ได้แก่สามารถทําให้ถึงความเจริญได้เพราะว่า ที่เมื่อก่อนยังจเจริญบริบูรณ์อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ากำลังปัญญายังไม่เต็มบริบูรณ์แล้วก็อธิบายถาาถึงมาถึงอย่างอื่นก็นั่นกเป็นความรู้ความรู้ตัวเดียวแต่ว่ามีผลไปถึงตัวอยู่ในตาง บ, บุกอยากเต็นที่นี่ก็เป็น ข้อสรุปก็เป็นนันว่าเราก็ได้ําตอบออกมาอย่างนี้เป็นที่แน่นอนนะว่าเรื่องสมุติยานอธิบายอย่างนี้นี่ก็ยังมีเวลาเหลือที่ท่าใไปจะถามปัญหาก็ถามแตกมาไรไม่ถามก็จะพูดจาเรื่องอื่นไปต่างๆแต่จะไม่ลืมเรื่องเรื่องทัศไปนะเรื่องทัศไปเรื่องยางแล้วก็จะต้องพูดไปอย่างลึกซึ้งหรือเรื่องเรื่องยานที่พลาดทีไปถึงโลกุตตะละยาน เรื่องละแล้วละอยู่เรื่องาพาภาวะจิตของความหลุดพ้นว่าจิตหลุดพ้นเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยในตัวนี้ที่ผมว่ามันคือว่ามาถึงคาถาวัตถุนี่ท่านมาเปลื้องอมุติที่บางทีทําให้เราเข้าใจไม่ถูกอย่างเช่นว่าจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยไอ้คุณโตอนเราฟังเราก็มันคิดอะไรกันมากฟังมาได้ไหน่อะไรจิตหลุดพ้นจากกิเลส ซึ่งคว่าเอกิดมากแต่ลราบางคนอาจจะมีความเข้าใจใน่ใจไม่เท่ากันไมเหมือนกันพอม า, าถึงในนี้ท่านพูดเอาตสภาะ่ะถามว่าติตหลุดพนเนี่ยจิตมันพนจากกิเลสหรือกิเลดมานพนจากติดนะแล้วเจตสิกในดวงในในจิตหลุดพนเหล่านะั้นะ่ะมันก็พลคือมันมีติตมีเจตสิกในกิเลสอะไรแบบนี้นะ ใครค้นจากใครนะนี่นี่ที่่านหนึ่งที่เราเรียกว่าคนไอ้คนเมื่อไรเนะี่ยจะเป็นเรื่องที่ผัวทําไปถึงกันแล้วก็ไอ้จิตที่ค้นจากกิเลสเนี่ยมันเป็นจิตมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสถ้าจิตมีกิเลสค้นจากกิเลสท่านก็ไม่ได้เพราะมันมีกิเลสอยู่พ้นได้ไง ไอคิดไม่มีกิเลมสมันทําไมจะต้องมาดิ้นรนในพ้นได้กิเลสดีอะไรกูเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านกอบกูดเอาไว้ดีเราก็ไม่ได้เคยคิดละเอียดถี่ถี่ขนาดนี้มาก่อนก็เป็นเรื่องที่ทีน่น่าศึกษแล้วก็เวลาพ้นพ้นอย่างไรต่างๆวิาณเนี้หลายๆราเรื่องในสถาวัาตถุก็ไม่มีคนมาอธิบายให้ต้องมาแต่สถาวัตถุ บ า, บางเรื่องก็มีแล้วก็้เรื่องคนแล้วค้นอยู่นี่เป็นเรื่องที่ได้เคยลาลบถึงมาบางตัวก่อนหน้านี้แต่ว่าในพอถจุดนี้ก็จะมีะรายได้ผมอยากจะจกลับมาเสริมเรื่องสมุทรยานนิดหนึ่งนะแล้วจากคุยแอนได้เวลา โมทานที่จรินยังมีมากกว่านี้นะฮะนี่ในยกเฉพาะสามแล้วก็เฉพาะฟางระลกในกรณีของหลขงของของงระดับสามแต่ว่าความจีิเนี่ย อ, อาภิญญาคือถ้าเป็นฌานเนี่ยระบูลงไปได้เลยว่าอาลูกฌานสองนั้นเป็นปรมาทายาหรือปารมาสัจจะญาณในปรดา ลูกประทานที่เหลือนอกนั้นเป็นสมมุติอยา่างมีปรัจจุกันเป็นต้นที่มีสมมติเป็นอารมณ์แล้วก็มีสมมติแน่นอนนะใครเข้าเมื่อไรที่ไหนต้องมีสมมุติเท่านั้นนี่ถ้าเป็นระดับของอภิญญาไปถึงระดับอภิญญานะเราบอว่าอภิญญานั้นมีทั้งสมมุติแล้วก็มีทั้งปรมาภยาก็แล้วแต่ว่าเราคือผู้นั้นจับ เข้าอภิญญาอะไรอภิญญาบางอย่านะงนั้นก็กําหนดว่ามีปรมาจา์เป็นอารมณ์มีปรมาจา์เป็นอารมณ์เนีคือว่าใน่างเช่นที่ประจักขุหรือว่ามีรูปเป็นอารมณ์เนี่เอาเอ า, เอาตัวพูดละเอียดน่อยก็คือว่าเอาปัญจมัจจัยกุศลหรือปัญจาริยาเนะี่ยมาตั้งแล้วก็เอาการเกิดขึ้นทั้งแรกเป็นหลักไม่เอาการเห็นต่อไปเป็นหลักที่เป็นหน้าที่อของของมหากุศลหรือมหาธิยาทำติดต่อ เอาตัวหลักก็ว่ามีสมมติหรืมีประมาทแต่ที่นี้ถ้าเป็นกรมีของคนที่เขาระลึกชาติการระลึกชาติได้เนี่ยมีทั้งสมมติมีทั้งประมาทไอที่เป็นสมมติก็อย่างที่ท่านกล่าวว่าบุเพเทนิวาสานิสติยามย่อมกำหนดลึกถึงนิมุทธธรรมในเรื่อนิมุทธธรรมคือธรรมอันเป็นสิ่งที่ตัวได้มีได้เป็นได้อาศัยเกี่ยวข้องกับต่ิ เช่นช <unlucky. S 2> ื่อมีชื่อย่างไงมีนามอย่างไรมีโค่นอย่างไรมีสิ่งพันอย่างไรมีอาหารอย่างไรมีอายุเท่าไหร่มีความสุขความทุกข์อย่างไรดังที่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นแล้วก็มีสมมติอยู่มีชื่อมีค่นมีอาหารการกินพวกนีก็เป็เรื่องสมมติแล้วก็มีความสุขความทุกข์ก็มีประมุขมีไ นี่สาใจคออย่างไรก็เป็นเรื่องของประมาทที่ผู้ระลึกชาตจัดถึงได้หมดนะอันนี้เป็น อ, อวิ ญ, ญากักพวกที่ว่ามีอารมณ์เป็นปรมัาทก็มีเป็นอารมณ์มีอารมณ์เป็นมันจะต้งมอีอันนี่เป็นระดับตัวที่เราปล่อยกลับลงมาปล่อยกลับลงมาถึงในระดับของเราเนี่ยที่ยกตัวยอย่างในที่นี้ก็จะพาะทานธรรม่ แต่ว่าถ้าเราไล่าตามนัยยะของอของคุณสมตกองบิดศีง เ, เราก็ยิเห็นว่าการรักษาศีงอย่างคนรักษาศีงทุกวันเนี่ยผมก็ยังมีความเสื่อมวัตถุมายกษสานีังเป็นละมุดอยู่ยั ง, ง, งติดละมุดกันอยู่แล้วก็อยู่แค่นัน้นนะถามว่าศีงคืออะไรโดยมากจะนึกไปติดอนเรื่องหลุดแบบเรื่องทงองราอยู่ในหนังสือเนี่ยกระให้ศีง ปานาหรือปานี่คือสิ่งกลายเป็นว่าอยู่ที่นั่นที <irgendw 2022> ่ปากตั้งอยู่ที่ือไปก็ไม่ได้นึกว่ามันมีเป็นตัวเป็นตนอะไรแม้เราเองเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ศึกษาธรรมะในครั้งนี้เราก็ไม่ได้นึกเป็นจริงเป็นจรงอะไนี้เลยเราเป็นเรื่องสมมุติพระเจ้าตรงเรียกว่าเป็นการบัญญัติสิกขาบทเราก็เลยสิ่นแน่ใจว่าเป็นเรื่องสมมติปัิญานะก็ที่จริงนะทานเองก็มีทั้งสภาวะปามัดและมีสภาวะสมมุติ แล้วแต่ว่าใครจะมองถึงเข้าไปถึงกั้นไหแต่ว่าในทางหลักที่ส ค, ควรจะทําให้ถูกต้องเนี่ยควรจะทําให้สมบูรณ์ทั้งโดยปรมาทและโดยสมมุตินี่ระดับอย่างนี้นะนี่คือหลักปฏิบัติที่ว่าโดยเอาผม อ, อธิบายเสริมตรงนี้ไดให้ใชัดไอ้ข้ออื่นนะอธิบายถึงกระบวนกาเราเลิกไม่ต้องพูดต่อตามเวลาที่เหลือนะอย่างการให้ทาน่ย อย่างที่เราพยายามตรงแต่ทานโดยประการต่างๆตามโล ก, กสมมติโลกิยมสีกลิ่นรบภาชนะต่างๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่เราควรทำคือข้างฝ่ายเราผู้บริจาคทานเราต้องทำให้ดีคือนี่คือหน้าที่ของเรานะข้างฝ่ายรับผู้รับเองก็จะต้องตั้งหลักประกัน ก็อย่างที่ผมว่าเวลาพระสอนลระพระพุทธเจ้าสอนละก็สอนให้ทำนรกิีการกับอารมณ์ดีไม่ดีด้วยเหตุผลข้างบุลุษแต่พอมาสอนข้างบุคคลนั้นสอนอย่างหนึ่งสอนให้ทําให้ดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้บริจาคในภายหลังทีนี้ข้างฝ่ายผู้ให้เวลาให้เราบูก แ, แต่อะไรยังไงในล่างเรื่องสมมติก่อน แล้วนั่เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเราเข้าใจแต่เมื่อทำอย่างมีสมมติเป็นอารมณอย่างสมควรแก้ทับโดยปารามัตก็คือการคานึงนึกถึงสาระของสิ่งที่เราให้อย่างเช่นเราให้อาหารในอะไรในสาระของอาหารถ้าสมมุติว่าเราปรุงอาหารเรีองรา ถึงก็โถมใส่โงทุล ก, ก็ไปโถมใส่อะไรต่อไปโดยไม่ได้คำนึงถึงตาระว่าใส่ไปนี่นมันเป็นโทษอะไรยังไงหรือไม่อย่างนี้เรียกว่าเสียสาระของเรื่องของอาหารเรื่องของตับไก่นะดัะนั้นเราไปจะให้มันถึง น, น, นี้อะไรที่เป็นโทษเราก็มันหายไปอย่างต้องะวายอะไรที่มันเป็นโทษที่อัดกัในทางวินัยต่างๆพวกนี้การคิดอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยิตเพื่อบุด และคำว่าติเชอร์ควรหมายถึงคํานึง่งหรือประโยชนที่คุณได้แต่ แ, แจากสิ่งที่เราให้ก็จะทําให้เราเนี่ยเวลาได้สมุนวิบากแล้วอันนี้มองในแง่วิบากนะเวลาสอนตอนลูนจกจ่าตัวประจัยระดับความต้องการความเป็นของคนผู้ยังต้องพึ่งเหล่านี้เราก็จะได้ทั้งรูปแบบและเนื้อนะ ร, นะ ร, รูปแบบก็หมายถึงไอ้รูปแบบสมมุติเนี่ยแล้วก็ได้ทั้งนื้อหา ในทุกๆอย่างเลยนะอย่างเช่นว่าผู้ให้โดยพอลบเนี่ยเวลาได้ก็ก็ให้โดยพอลบมีลูกมีเต้าขเขาเอาเงินตอนเขาพอลบรับไปแด่ให้แล้วดูถูกให้แล้วก็จริ้งๆิ้ง ค, ความให้ต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่สมมุติที่สองแสดงออกกับสาระที่เขาได้ให้เราอันนี้ก็ออกให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนีอ่าเพราะฉ น, นั้นบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาได้อะไรแล้วเนี่ยมันได้มาเรียกว่า สวยแต่เปลือกล้วทีมันมีอันตรายแฝงมาในสิงเหล่านั้นเพราะความที่ตัวเองนั้นไม่ได้ระวังสาระมีหรือขาดบางทีคำหนึงหรือให้ส ม, มุติมากไปในแง่ว่าบางทีโรยหนะ้าหรือให้ให้ผลแค่จะฉ้าะหน้าเฉพาะตาจะก่อนส่วนรับไปเน้่จะเป็นยังไงไงตัวเองไม่ได้คิดเกิดกุลถึงนาน้นกนะ็ทําทให้บุคคลพวนั้นเมื่อได้รนะับสิ่งเหลนี้แล้วก็จะมีคลิปไพรติดตามมาในภยัยด้วย แล้วก็การคํานึงถึงอนิจจั์ทุกขังนาตาของสิ่งที่เราทำแล้วก็ผมก็เคยได้เสนอหลักคำหนึ่แล้วก็ไป ด, ได้ได้ใช่ว่า <c oughs> เวลาเราเราถวายทานเนี่ยไอตอนที่จะถวายเนี่ยหรือแม้แต่ก่อนถวายวก็ตามที่เราดูเจตนาว่าทําทําไหม่ดูจิตของเรานะนอกเหนือไปจากให้เจ้าของที่ปรุงแต่อะไรเลย ก่อนทาำกันนะเราต้องมีเหตุผลในใจและดูไอ้ใจลรและในขณะที่เราอห้นบางทีต้องกําหนดตีตามพัโฆษณาคือผม เ, เราได้เคยพูดในที่อื่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ได้ปฏิบัติเฉพาะการพิจารณาแค่ท่านผิแล้วก็ไปได้วิธีการปฏิบททัติที่อ่าปิบัติาสตาจารย์ชาวเขามากและซึ่งท่านเป็นหมอด้วยท่านได้บอกบอกแล้ว คือหมอนน้าเนี่ยในเย็นธรรมารแต่ผมรู้เลยว่าท่านพูดคาเดียวเลยผมเข้าใจทราบซึ้งเลยท่านบอกขนาดที่ถวายของสงเนี่ยจะจะติ บ, บอกผมนะบอกให้กําหนดนิปัสนาไปดูขนาดประเกศอย่าไปดูหน้าอย่าไปสนใจหนึ่งขนาดนั้นให้กําหนดจิตไปเราก็ทํามที่ผมสว่างเลยว่าโอาโหคำวิปัสนาได้ขนาดนั้นและ มีความรู้สึกแจ้เจนว่าเป็นการได้ประโยชน์จากการทำทานเหนือความหาปกติอย่างนี้เรียกว่าทำทานด้วยกำหนดเจตนาทานโดยอารมณ์เป็นนิบัสนาด้วยมีทั้งหรับคนที่มีความรู้ในทางหลักนิบัสนาก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าจับปรมัจิต กรรมยังมีไงคิดยังดื้ออีกเป็นหลายอย่างแม้แต่นึกถึงวิบากของตาต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องประมาทอันหนึ่งตามที่อะก็คงจะพอทุกคนอเก็บเวลากราวหน้าเราก็ยังตอบกันติดหน้าขออนติดขึ้นนะีครับ